แล้วพระองค์ยังมีมงคลต่อไปอีกอีกก็คือขันตีจะ่ะพระองค์นี่มีความอดทนเหมือนกับแผ่นดินนะหรือเหมือนกับเขาเมรุ ม, มาตรนะคือในบรรดาสิ่งที่มีความอดทนทนถึงที่สุดสุดทนเลยนะถึงสุดจนะะทนเนี่ยนะหมายความว่าคนธรรมดาทนไม่ได้แม้กระทั่งอย่างเช่นบำเพ็ญทุกขะกิริยาถ้าคืนต่อไปอีกนิดเดียวตาย ต่ออีกนิดเดียวเนี่ยนะหมายว่เหมือนกับวอลลุ่มอ่ะถ้าเร่งกว่า น, นั้นอีกก็ขาดหมดแล้วผมว่าเหมือนเครื่องเสียงเลยถ้าเร่งวอลลุ่มเกินขนาดนิดหน่อยก็ขาดหมดละกระจายหมดละเหมือนกับความร้อนของร ถ, ถวิ่งเกินกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งหม้อน้าระเบิดเลยฉันใดพระองค์เนี่ยก็รู้นะว่าที่พระองค์บาเพ็ญเพียรถ้าคืนต่อกว่านี้ชีวิตจะหามไม่พระองค์ทนได้ขนาดนั้นทนได้เจียนตายว่า ง, งั้นนะทนได้เจียนตายถึงขนาดว่าลูบท้องถึงหลังลูบหลังถึงท้องไง น, นะ ดวงตาเนี่ยลึกเข้าไปในเบ้าตานะร่างกายเนี่ยเอามือรูปตัวปั๊บขนเนี่ยหลุดร่วงเลยความอดทนขนาดนั้นอดทนแม้กระทั่งกลั้นลมหายใจลมออกหูว่างั้นเหรนีจนถึงกับลมออกหูมันก็ออกนะเพราะมันเส้นมันมันมันระบบแนวเดียวกันเพราะมันมีเส้นลมนะหมายความว่าลมมันอื้อนะลักษณะเพราะมีความอดทนปวดหัวสุดจะทนเนี่ยนะวิงเวียนไปหมดทนได้หมดอะ เพราะในความอดทนแม้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์หรือแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทนให้เขาด่าทั้งคืนก็มีทนให้เขาหาเรื่องในทั้งวันเพื่อที่จะช่วยเขาอดทนที่เดินทั้งวันตรากตรำแม้กระทั่งใครอ่านมหาปริณิพานสูตรจะเห็นความอดทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เดินนะอายุ80ิแล้วไม่สบายด้วย ไม่สบายไม่ใช่ธรรมดาบางคนมาเป็นเลือดเนี่ยนะถ่ายเป็นเลือดออกมาเนี่ยนะเดินไปได้หน่อยหนึ่งก็หมดแรงเดินไปหน่อยหนึ่งก็หมดแรงแต่ว่าคนไปไหว้สังเวชนียสถานหน่อยเดียวเนี่ยบนโอ้ยนั่นแหละต่างความอดทนมันต่างกันเนี่นะไม่น่าห่างกันขนาดนี้นะไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะนั้นอันนี้คือความอดทนของพระองค์เนี่สุดทนจริงๆอะไรอขันตีจะโสรวจสตาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมี มีมงคลอีกอันหนึ่งก็คือโสวัจสตาเป็นผู้ที่แนะนําง่ายแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่มีบุคคลเหล่าใดต้องไปแนะนําแต่ถ้ามีคนอาราธนาพระองค์นะถ้าสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระองค์จะไม่ห้ามนะพระองค์ก็จะอนุญาตแต่ก็ห้ามเป็นพิธีการเป็นธรรมเนียมห้ามหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สก็จะรับจะรับคํานั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ โสวัจจะสตาถ้าจะว่าว่าง่ายก็ง่ายคือถ้าสิ่งใดถ้าเป็นไปตามธรรมเนี่ยนะพระองค์ง่ายหมดเลยถ้าจะเป็นไปเพื่อการละกุศลเพื่อการเจริญกุศลเนี่ยพระองค์ไม่ยากเลยสําหรับพระองค์เนี่ยนะโสวัจจะสตามันพระองค์จึงเป็นผู้ที่ว่าง่ายไอ้คําว่าว่าง่ายเนี่ยต้องใครว่าอีกทีหนึ่งนะหมายถึงบัณฑิตแนะนำเนี่ยแนะนําง่ายได้หมดเลยแล้วก็สมนานันจะทัศนัง พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ยินดีที่จะพบเห็นพระโสดาบันสมณะในที่นี้หมายถึงผู้ที่แทงตลอดสามัญญผลทั้งหลายพระองค์ยินดีที่จะเห็นพระอริยสาวกพระองค์ยินดีที่จะเห็นพระโสดาบันเห็นพระสกทาคามีเห็นพระนาคามีและเห็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าเหมือนว่าพระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นก็น่ารื่นรมพระองค์ก็นึกว่าเออท่านเหล่านั้นเนี่ยน้าพบน่าเห็นบางสูตรเช่นในอานาปานสติสูตร มีพระภิสูุผู้เจริญโพธิปัจฉยธรรมทั้งหลายเนี่ยครบถ้วนในสมณพิสูรรูปนั้นเนี่ยเป็นหมื่นรูปไม่มีปุตุชนอยู่เลยอย่างว่าถ้าจะว่าต่ําสุดก็คือพระอนุ์เนี่ยเป็นหมื่นรูปนะพระองค์บอกว่าไม่มีสมณะแกลบอยู่ณที่นั้นเลยปุตุชนเขาเรียกว่าสมณะแกลบว่าในสูตรนั้นนะสมณะแกลบก็คือเมล็ดไม่มีเม็ดในเหาือนกันไม่มีปุตุชนเลยผู้ที่มีคุณอย่างต่ําที่สุดก็คือพระโสดาบันท่านเหล่านี้ คู่ควรที่จะพบจะเห็นแม้แต่หอเข้ามาก็ก็สมควรควรได้พบควรได้เห็นคู่ถึงจะอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ควรพบควรเห็นโดยที่สุดแม้แต่หอเข้าไปเนี่ยนะหอเขาเรียว่าทําเสบียงทางเพื่อจะไปพบเห็นท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกพระองค์ได้ยินดีเพราะว่าเห็นแล้วปลื้มเลยนะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วปลื้มนะมีความสุขในการเห็นสมณะทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นผู้มีศรัทธา นะในบรรดาชนเหล่าใดผู้มีศรัทธาพราะองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่สูงสุดมีศรัทธาสร้างปุถุชนให้เป็นพระทศดาบันมีศรัทธาอนุโมทนากับผู้ที่บรรลุมรรคผลอนุโมทนากับพระอริยะบุคคลทุกองค์นะไม่มีอิจฉาริษยาแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะมีแต่ชื่นชมมีแต่อนุโมทนาแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ติคนที่ควรติตำหนิคนที่ควรตำหนิ โมฆะบุรุษพระองค์ก็เรียกเป็นนะดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรใช้ไม่ได้ไม่ควรทํา น, น, นะฉะนนจึงไปทําเช่นนั้นเช่นนั้นก็บัญญัติพระวินัยไปเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็ยินดีที่จะพบเห็นคนดีไม่เกรงใจคนชั่วแต่บูชาคนดีนั่นเองแล้วก็พระพุทธเจ้าที่สําคัญก็ยินดีในการสนทนาธรรมนะเพราะสัตว์เราใดที่จะตรัสรู้ได้เพราะการสนทนาพระองค์ก็จะ สนทนาถ้าเขาไม่ถามพระองค์ก็ถามนะพระองค์ก็ถามเขาเองไปยังไงมายังไงทำอะไรทำทอย่างไรบ้างเจริญแค่ไหนอะไรยังไงพระองค์ก็จะถามถ้าบางคนเนี่ยเขาตรัสรู้เพราะสนทนากับตัวเขาเองแล้วเขาบรรลุพระองค์ก็สนทนาถ้าสนทนากับคนอื่นแล้วเขาบรรลุพระองค์ก็สนทนากับคนอื่นถ้าเขาสนทนากับพระอัครสาวกแล้วเนี่ยนะถ้าพระองค์สนทนากับอัครสาวกแล้วเาบรรลุพระองค์ก็ สนทนาธรรมหรือสนทนากับพระพุทธเนระมิตรแล้วเข้าตรัสรู้พระองค์ก็เนรมิตรพระพุทธเนระมิตรแล้วพระพุทธเจ้าสนทนากันบางคนนี่วิจิตนะถ้าพระพุทธเจ้ามาองค์เดียวไม่บรรลุต้องมาสององค์มีพระพุทธเนระมิตรมาด้วยโอ้ยอะไรจะวิจิตเท่ากับอัธยาศัยสัตว์ไม่มีอีกแล้วเนี่ยวิจิตจริงๆเลยนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ายากที่จะเข้าใจอัธยาศัยของเขาดีไม่ดีก็ไปดูถูกดูหมิ่นเขาบางทีเขาอาจจะมีดีก็ได้แต่ ไม่เห็นความดีที่มีอยู่ในตัวเขาเหมือนกับตุ่มที่เก็บเก่าตะไคร่น้ําขึ้นเต้มไปหมดแล้วแต่ข้างในมีเพชรก้อนโตนะครับเพชรในเปลือกตุ่มนะแบบภาษาไทยเรานิยมใช้คําว่าเพชรในโคลนตมเพราะงั้นมันก็ยากที่จะเห็นว่าในนั้นน่ยมีคุณอยู่นะพอที่จะเห็นอริยสัจได้นะเขามีอริยะคุณพอที่จะเป็นพระอริยเจ้าเพราะงั้นพระองค์นั้นจึงเป็นคนที่ยังเห็นความดีของศักด์ทั้งหลายแล้วก็ ส่งเคราะห์เขาให้เขาเจริญได้จริงๆเพราะนั้นเขาจะตรัสรู้เขาจะบรรลุเขาจะได้ดีได้เพราะการสนทนาพระองค์ก็สนทนาและพระองค์ก็ยินดีที่จะสนทนากับผู้มีศีล น, นะยินดีที่จะสนทนากับพระอารียเจ้านนะอันต่อไปเนี่ยพูดถึงตบะเนี่ยนะผู้ที่มีตบะอยู่ด้วยตบะตบะตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีเดชนนะนะบาปอ่ มีความภาพเพียรพยายามหรือตะบะหมายถึงอินทรีย์สังวรปิดกั้นทวารไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีตบะส่วนผู้มีพรหมจรรย์เนี่ยนะพระองค์ก็มีพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าประพฤติประเสริฐทางกายวาจาและใจเนี่ยนะฮัลโพระองค์นี่เป็นผู้อยู่มีพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของพระองค์ที่ปฏิบัติก็ไม่ใช่อานิสงค์คือลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญ หรือไม่ได้ประพฤติพรหมจารย์ไว้คอยแก้ลัดที่อื่นๆหรือเป็นเรียกว่าเป็นาศาสดาตั้งตนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ที่แท้พรหมจารย์ของพระองค์เป็นไปเพื่อสังวรนเป็นไปเพื่อปหาณนะวิราคะนิโรธะพรหมจารย์ของพระองค์เพื่อพระนิพพานในบรรดาผู้ที่เห็นอริยสัจโดยแง่มุมต่างๆอนนะโสดาปฏิโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลมีกี่พันในพระองค์ก็เห็นหมด เห็นะ en, อริยสัจกองทุกมีแค่ไหนพระ อ, องค์ก็รอบรู้สิ้นเชิงสมุทัยมีแค่ไหนขนาดไหนพระ อ, องค์ก็รู้หมดอริยมรรคจะมีกี่พันในสหัสไนเป็นต้นหรือในยะหาที่สุดไม่ได้พระ อ, องค์ก็เห็นหมดสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคจนถึงอรหัตตมรรคอริยสัจเหล่าใดที่ควรรู้ควรเห็นพระ อ, องค์รอบรู้ทั้งหมดนิพพานะสัจฉิ ก, กิริยาพระ อ, องค์จึงทําอรหั ต, ตผลให้แจ้งเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เป็นผู้ที่มีจิตใจไม่วันไวใน โลกธรรมถ้าจะกล่าวไปเนี่ยนะเราเคยได้ยินบ่อยๆว่ามีแต่ผู้ที่เอาดอกไม้เครื่องบูชาสการะรอรับเสด็จพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่เมืองโกสัมพีประชาชนเนี่ยด่ากันคือเรียกว่าด่ากันเกือบทั้งเมืองนะพระองค์ก็ได้รับคําด่าเหมือนกันหรือแม้กระทั่งที่เมืองสาวัตถีนี่แหละเมืองที่พระองค์ประทับอยู่นานอยู่เมืองนั้นพระองค์ถูกด่าไหมถูกด่าอยู่ทั้งหลายวัน กรณีนางสุนทรีเนี่ยนะกรณีนางสุนทรีปริภาชกอ่ปริภาชิกาเนี่ยนะแล้วก็กรณีของนางม า, ม, มาคันธยาในช่วงหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆกรณีที่เดรธีประโคมข่าวฟันพระองค์ก็ถูกด่าเหมือนกันหวือนั้นเถอะแต่พระองค์ก็มีจิตใจไม่จิตใจไม่หวั่นไหวในโลกกะระรทั้งหลายเนี่ยนะ แล้วก็พระองค์นั้นถึงจะได้รับการสักการะบูชาเคารพกราบไหว้พระองค์ขนาดไหนพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นั้นบอกว่าสิ่งที่เขาบูชาก็คือบูชาขันห้าที่พระองค์รอบรู้เสร็จแล้วเท่านั้นเองบูชาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระองค์กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้ลําพองอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวถึงเขาด่าพระองค์ก็รอบรู้เหตุปัจจัยครบถ้วนพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่ วันไหวบางคนปองร้ายพระองค์ถึงกับชีวิตเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระองค์ก็ยังเมตตาคือพระองค์ไม่วันไหวเลยมั้นจึงบอกว่าความหวังดีของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์หวังดีกับพระราหุลหวังดีกับพระเทวทัตหวังดีกับช้างธนบานช้างนาลาคิริงหวังดีกับนายขมังธนูนี่เสมอกันคือพระองค์รักบุคคลเหล่านั้นเหมือนกับพระราหุลหมดเลยไม่มีการแบ่งแยกเลย พันพระองค์นี้จึงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมถึงเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ปรารถนาดีต่อพระองค์หรือประสงค์ร้ายกับพระองค์พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะไม่หวั่นไหวในลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญไม่หวั่นไหวในยศและความเสื่อมยศเนี่ยนะไม่หวั่นไหวแม้กระทั่งในความสุขและความทุกข์จิตใจของพระองค์ไม่หวั่นไหวจริงๆไม่หวั่นไหวในความเป็นอยู่และความตายไม่หวั่นไหวด้วยตัณหายามที่มีชีวิตอยู่ ไม่เสียใจด้วยโทสะยามที่พระองค์ได้ข่าวว่าจะสิ้นพระชนของเราถ้าถ้าไปตรวจก้อนอะไรเจอสักอย่างบอกอีก3มเดือนตายเนี่ยนะอาจจะอยู่ไม่ถึงหรอกอาจจะไปก่อนเนี่ยนะโรคช้าใจมันพาไปตายก่อนนะนั่นเน่ยเพราะอะไรเพราะจิตใจที่หวั่นไหวพระองค์นี่ไม่หวั่นไหวในบรรดาผู้ที่ไม่มีความโศกเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะพระองค์ไม่มีความโศกความโศกย่อมเกิดจากความรักภยัยย่อมเกิดจากความรัก ความโศกเกิดจากของอันเป็นที่รักเกิดจากวัตถุอันเป็นที่รักถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักความโศกจักมีมาแต่ไหนภัยจะมีมาแต่ไหนพระองค์ไม่พระองคออง์มองเห็นสังขารทั้งมวลล้วนเสมอการคืออนิจจังมองเห็นสังขารล้วนเสมอกันคือเป็นทุกขังมองเห็นธรรมทั้งปวงล้วนแต่เสมอกันในความเป็นอนัตตาเพราะพระองค์อยู่ด้วยปัญญาดำรงอยู่ด้วย ปัญญาเพราะผู้ที่มีปัญญาจึงไม่โศกแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาระดับพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามาเป็นอย่างดีจิตของพระองค์นั้นจึงไม่มีทุลีคือราคะไม่มีทุลีคือโทสะไม่มีทุลีคือโมหะเพราะใจของพระองค์ปราศจากทุลีมนทินทั้งปวงนี่ยนะ แล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เกษมและก็ปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนพระองค์ก็สบายอยู่เสมออยู่ที่ไหนอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่เมืองอยู่มนุษย์โลกหรืออยู่ที่เมืองนาหรืออยู่ในเทวโลกพระองค์ก็เกษมและปลอดภัยนี่นะพระองค์เป็นผู้ที่เกษมปลอดภัยพราะเราศึกษาพุทธวงศ์เนี่ย อันหนึ่งที่เราควรจะได้คือได้ความรู้ความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนางกรพระพุทธเจ้าทีปังกรโกนธัญะมังคลสุมานณะเรวตะโภพตาอะนะโสพิตาเป็นต้นจนถึงอ น, นมมัตสีอัถ ท, าทาสัสีธรรมัตสีปิยะทัตสีอ่ะ น, นะ ตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งมวลที่ที่มีมาในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งมวลที่จะมีต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้อยู่กับอยู่ด้วยมงคลเรียกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีมงคล ผู้ปฏิบัติเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวท่านพระองค์มีมงคลทั้นถ้าเราเรียนว่าเอ๊ะมงคลเหล่านี้ใครจะได้ปฏิบัติได้ครบถ้วนก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ปราชัยในฆ่าศึกทุกหมู่เหล่าแหมศึกครั้งนั้นพระพุทธเจ้าแพ้เคยได้ยินไหมอ๋อพระองค์ไงกลับมาเลยซึมกลับมาเลยบอกไม่มีมีแต่ยิ้มแยม้มมีความสุขอยู่เสมอเพราะไม่พ่ายแพ้ปราชัยในฆ่าศึก เขรียว่าพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์พ้นแล้วจากบ่วงที่เป็นของทิพย์พ้นแล้วจากค่าศึกในหมู่มนุษย์พ้นแล้วจากค่าศึกที่เป็นของทิพย์พระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ปราชายัยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีมงคลนเนี่ยนะเป็นพระองค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในความเจริญและประสบแต่ความสุขและความเจริญขณะเดียวกันพระธรรมที่พระองค์สอนถ้าใครเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าบอกโอ้ยทําไมมันมากมาเยอะอะไรอย่างนี้ ถ้าจับหัวข้อใหญ่ก็คือมงคล38เนี่ยนะก็คือมงคลนยยะต่างๆถ้าใครศึกษาเนี่ยนะบอกว่าจะบอกว่าเออธรรมะเหมือนกับเยอะแยะเหลือเกินถ้าจํามงคลได้อยู่แล้วเนี่ยอ่านแต่ละสูตรบอกนี่มงคลข้อไหนอ่านสูตรเหล่านี้แล้วเราจะเจริญมงคลอะไรได้บ้างถ้าขนาดนี้ก็ไม่ไม่ยากอะไรจํามงคล38ก็อธิบายพระไตรปิฎกได้ทั้งพระไตรปิฎกนั่นเองก็คือมงคล38 ขยายดูเถอะไม่มีพ้นมงคลหรอกอย่างการพูดพุทธวงศ์นี้เพื่ออะไรเพื่อปูชาจะปูชนณียานังจะได้บูชาผู้ที่ควรแก่บูชาคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นในอดีตเราจะได้บูชาท่านถูกว่าท่านมีคุณธรรมอะไรและพระองค์คือพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะในอดีตเมื่อพบเห็นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วพระองค์บูชาอะไรบ้างนะพระองค์ไปบูชาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างไรเช่น เจอพระพุทธเจ้าพระนาว่าทีปังกรพระโพธิสัตว์ของเราบูชาด้วยชีวิตสละชีวิตเป็นพุทธบูชามาถึงพระพุทธเจ้าโกนธัญญาพระองค์ก็สละทรัพย์ทั้งหมดสละชีวิตบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพอมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ชื่อว่ามังคละพระองค์ทําอะไรสมัยพระพุทธเจ้ามังคละเนี่ยพระองค์ก็เป็นพราหมเนี่ยนะก็สละ สละบ้านเรือนออกบวชทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะในสมัยพระพุทธเจ้ามังคละสมัยพระพุทธเจ้าสุมาณะเนี่ยอะสมัยพระพุทธเจ้าสุมนณะเนี่ยพระองค์ก็บูชาด้วยด้วยอะไรพระองค์เป็นพญานาคเนี่ยนะเป็นพญานาคก็มาทำพุทธบูชาเนี่ยนะมาบูชาพอถึงพระสุมนณะพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นพรามอติเทวะ ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะก็ทำพุทธบูชาเนี่ยนะถึงพระพุทธเจ้าโสพิตะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าโสพิตะนั้นพระองค์ก็ทำบูชาอะไรพระองค์เป็นพราม์ชื่อวสุชาตนะก็ทำพุทธบูชาเลี้ยงดูพระสงฆ์สาวกคือการบูชาเนี่ยนะมีอยู่สองกลุ่มบูชาด้วยวัตถุกับบูชาด้วยการ ปฏิบัติการบูชาด้วยวัตถุบางชาติเน้นพิเศษคือบูชาด้วยผ้าบางชาติพิเศษบูชาด้วยข้าวน้ําบูบางชาติก็เน้นพิเศษบูชาด้วยเสนาสนะหรือเพศแต่พระโพธิสัตว์นั้นบูชาด้วยปัจจัย4ดอกไม้ของหอมประทีปคมไฟทุกชนิดแหละสุดที่จะทําได้ว่าะงั้นสุดแท้แต่จะหาได้ทําได้บางชาติก็สละชีวิตเป็นพุทธบูชาสละบูชาด้วยการรักษาศีล ะนบูชาด้วยการเล่าเรียนศึกษาจนทรงพระไตรปิฎกศึกษาบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมจนได้อภิญญาและสมาบัติอันนั้นเป็นบูชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ